แต่ใบเล่มใหม่จะออกเนี่ยจะออกเร็วๆนี้เนี่ยศูนศูนย์ศูนย์เนี่ยจะอกเร็วๆนี้เล่มใหม่นี่เห็นไหมชื่ออะไรเออจบสักทีจบสัอือเห็นไหมจบสักทีจบพพจบชาติจบการเวียนวนสักทีจบทุกจบกิเลสจบการเวียนวนสักทีจบสักทีเห็นไหมดูนี่มีหน้าปกก็มีลูกหมายถึงอะไรเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยหมายถึงอะไรดูซิอือ่าชื่ดูซิหมายถึงอะไรลูกอ้า จิกจิกค <m any iser> ิดด <anya> <m any iser> ิต <m any iser> <m any iser> oh ิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก EQ สามใช่หมอใช่หมออ่ะลูกลูกหน้าปกจบที่ที่หมายความไงลูกชื่อชื่ออะไรนะฮะเด็กมันทีสื่อความหมายง่ายนะง่ายกว่าผู้ใหญ่เด็กไม่คิดมากไม่ซับซ้อนนะหมายถึงอะไรลูกเนี่ยลูกลเนี่ยพูดติกใจดิเอาพูดจริงๆลูกอ่ะเอาผิดถูกไม่ว่าไม่ไรหรอกไม่ว่าลูกตามไม่ได้อ่ะ หมายถึงอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเหรอดูดูให้ดีลูกพื้นมีพื้นด้วยมีสีเหลืองสีขาวมีวงกลมมีคนเดินและในวงกลมเป็นสีขาวหมายถึงอะไรลูกเอาไหมให้ลูกพูดดิเอาไหมาให้เด็กพูดหน่ออ่ะอารมณ์ด้วยเหรออ่ะอ่ะนึกดิติ๊กตักติ๊กตักเช็ดหมอนดิเช็ดปัญญาลูก ออไว่ต้อก็ผิดเลยอ่ะติ๊กต่อติ๊กตอบตตาให้โอกาสเอ่ะอาพูดเลยพี่ตู้ไม่ว่าหรอกอ่ะสงบอ่ะฮะสงบสงบอ่าไหมเด็กกมันจะพูดออกมาจากใจง่ายสื่อป๊บรู้เลยว่านี่ความสงบอืมทาไมหนูจึงจึงสื่อความหมายว่านี่คือความสงบหอกอ่ะในบอกี่ทําไมหนูจึงจึงจึงใช้พใช้ภาพเนี้สื่อความหมายว่าความสงบอ่ะหนูลองอธิบายดู้ Hmm? ที่เหตุที่หนูพูดสงบมันต้องมีพื้นฐานว่าหนูหนูพูดประจัจละทำไมหนูจึงรู้ว่านี่คือขารสงบเพราะอะ อ, ะอธิบายได้ไหมแต่รู้ว่าจาใจเหรอเ <c oughs> ออแน่ๆเห็ น, น, น, น, นหมเด็กเด็กจะตื่ความหมายเก่งปุ๊บ <c oughs> มันเป็นใจที่บริสุทธิ์มันจะไม่ปรุงแต่งมากไม่แก่แดดเหมือนพวกเราเห็นไหมอ่ะ ใช่ัหมดูสิดูความหมายหน่อยเอาไม้ไปไปใครซือความหมายเก่งๆเอาเอามาเอาแม่ก็ได้แม่ถือไมาอยู่แม่บ้างไงดูเอาความหมายเปานไงหนูว่าความว่างเปล่าอ่ะอืมความว่างความว่างอ่อทำไมเป็นอ้ออธิบายเลยเพิ่มเกินสักว่าไงทําไมจะเป็นความว่างแล้ววงกลมมีคนเดินมีเงาด้วยหมายถึงอะไรมองดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ต อ่าวอ้าวอธิบายอ้าวมาอยู่ใกล้ใครอธิบายทีใครยกมือกหรกหรันกระหันอ้าวนี่นี่นี่เอาไปมากระหั น, นหน่อยกระ ห, รหนันหม่อยอะไรก็ได้ขออธิบายนะมาเอาเอาเลยอ้าถ้าใครอยากหลุดพ้นก็คือเดินเข้าสู่ความว่างเปล่าอืมแล้วไงก็อมาได้แค่นี้ยค่ะหมายเดินเข้าสู่ความว่างเปล่าใครอยากหลุดพ้นเดินเข้าสู่ความว่างเปล่า แล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรอะค่ะน่ะใครอยากลุพ้นก็เดินก็สู่ความว่างเปล่าสุดท้ายไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรอะค่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมาถึงไงก็คือไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนของผู้เดินไม่มีตัวตนของผู้เดินผู้เดิน ผู้เดินผู้เดินถ้าคําว่าผู้เดินก็ต้องมีตัวตนใช่ไหมแต่ถ้าถ้าไม่อยากมีตัวตนก็คือไม่ไปไปยึดผู้เดินเออขอตาขาเรืองกระตาอะไเออเออดีมากดีมากดีมากเอาก็เดินก็เดินเออก็เป็นรูปคนเดินแล้วก็ไปหาความว่างสุดท้ายก็ต้องทิ้งเงาทิ้งทุกอย่างไว้จบ จบตรงนี้จบสัก <c> ท <oughs> <c oughs> ีดีดีดีอ้าวก็ดิอ้าเอาหนเอาหมออ้าว <c oughs> นึกถึงวงกลมเนี่ยเป็นวงจรปฏิจจสมุทรบาทอนะค่ะแล้วก็ตรงกลางคนเดินเนี่ยคือหมายถึงตัวอวิชาคือความโง่ถ้าเราละทิ้งความคือความโง่ก็ทําให้เรามีตัวตนมันก็เลยยังทําให้วงจรเนี้ยยังหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราละทิ้งตัวตนของเราได้เนี่ยวงจรตัวเนี้ย มันก็จะตัดขาดออกไปก็จะจบสักทีหนึ่งอ่านี่นี่บายว่าวงกลมคือปฏิจจสมุปบาทอในผู้เดินคือความลงอวิชชาความจริงไม่มีตัวตนของผู้เดินอ่าผู้เดินขายทิบายต่อออาหมอเอาไปม า, มาหมออรชน ก็คืออจากตัวรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเดินแล้วก็มีเงาแล้วก็มีมงกลมก็คิดว่าตัวคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยสังขารกายแล้วก็สังขารจิตซึ่งซึ่งสังขารกายคือตัวคนเดินแล้วก็จิตก็คือตัวเงาซึ่งต้องติดตามกันไปแต่ครั้นี้การที่ยังมีตัวทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเรายึดอยู่ในตัวทั้งสองตัวเอ ก็เราก็ยังถ้าเยุดยึดติดทั้งสังขารกายและสังขารจิตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปถึงความจิตเดิมแท้ที่เป็นตัวพื้นหรือว่าเป็นตัวตั้งต้นของเราได้คือตัวในวงกลมได้คือในหลักแล้วเนี่ยก็คิดว่าต้องละทั้งคู่ละการยึดติดของทั้งคู่ทั้งตัวกายแล้วก็ตัวจิต เพื่อเข้าเพือเพื่อเข้าไปสู่ตัวจิตเดิมแท้ที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากการละแล้วถ้ามีผู้เข้าไปก็ไม่พ้ น, ถ, ดดพนถ้ายังมีผู้จะเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ก็ไม่พ้นเพราะยังมีผู้จะเข้าไปจิตเดิมแท้ก็ไม่พ้นอีกไม่พ้นทุกต้องทำไงถ้ายังจะมีผู้เข้าไปในจิตเดิมแท้จะไม่พ้นทุกต้องละอย่างเดียวต้อง อยว่างความไม่มีตัวตนแต่แรกแล้วมีแต่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ถ่านรู้ไม่มีตัวตนของผู้เดินเพราะความเข้าใจแบบนี้จริงไม่มีผู้เดินทางความว่างก็คงเป็นความว่างดินน้ำลมไฟคงเป็นเรี่ยมดินไฟเพราะว่าเข้าไปไม่ใช่ไม่เทอเข้าไปก็คือเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันว่างตั้งแต่แรก เออใช่ไม่มีตัวเราจะเข้าไปสู่ความว่าแต่หมดนะมีใครจะอธิบายเพิ่มเติมจากนอกจากนี้มีไหมอ่ะมีไหมเมื่อกี้แอบเห็นข้างหลังอีกรูปหนึ่งก็เลยยังไม่เฉลยก็เลยผมผมว่ารูปนี้ยังไม่จบฮะ ยังจบยังไม่ใช่รูปจบมาคือเหมือนก็ว่ามันอยู่ในระหว่างที่กําลังปฏิบัติเดินทางก็ยังมีตัวตนยังมีเงามีอะไรยอยู่ถ้าจบคือรูปข้างหลังลงตาเนึ่ยคือมันมนี่นไปแอ บ, แอบดูลูกเราไดูแอบแอบเห็นเมื่อกี้คือมันหายไปหายไปไหมอันนั้นจะจบแต่รูปรูมข้างหน้าเนี่ยยังไม่จบออา <laughs> จารย์นี่ไปแอบเห็นหลังนี่นี่เขาเรียกว่ามองทะลุตัวหนังสือเห็นคัมพีร์มองทะลุถึงใจนี่นี่ยอดยอดยอดเห็นคมพีมองทะลุถึงใจอหนัเสือปั๊บ แล้วก็อ่านจะเห็นว่ามีแต่ตัวหนังสือมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ตัวหนังสือเข้าใจหมดเลยรู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจรู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดคำภีไลตัวอักษรพระไตรปิฎกท๊ะ ทำไมพะไตรปิฎกจึงไล่ตัวอักษรนั่นแหละคือสุดยอดพะไตรปิฎกทำไมพะไตรปิฎกจึงไล่ตัวอักษรนี่ก็สุดยอดพะไตปิฎกพบพะไตรปิฎกที่ไล่ตัวอักษรก็พบเหไหเยเออได้ได้อะไรได้ดวงตาเห็นธรรมไหมได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่เนี่ห็นไหมได้ดวงตาเห็นธรรมพบใจที่ว่างเปล่า รบใจที่วางเปล่าเลยรู้ว่าดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้ดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้คือผู้ที่อ่านทำความรู้ทำความก็ใจรูล้ละปล่อยวางรูล้ละปล่อยวางนเนี่ยแน่คือขันห้าดินน้ำลมไฟขันหน้ารู้ละป ล, ล, ะป ล, ละป่อยวางรู้ละปล่อยวางตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้ายของหนังสือจบทัทีอ่านจบวางหมด แม้แต่ความรู้ไม่ยึดความรู้รู้หมดเลยแต่ก็รู้อยู่วางอยู่แต่รู้อยู่แต่ไม่มีใครยึดรู้อยู่เข้าใจอยู่แจ้งอยู่ที่ใจแต่ไม่มีใครยึดไม่ไม่ไม่มีใครยึดไม่มีใครยึดว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เข้าใจวางตัวเราถ้ายังมี ยึดว่าอ่านจบรู้หมดรู้เห็นรู้เข้าใจรู้จิตรู้ใจเข้าใจชัดเจนหมดที่ลุงตาสอนน่ะแตย่ยังยังยึดนะยังยึดว่าตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนเห็นตัวเราเป็นคนเข้าใจมันก็ยังเป็นทิฏฐิมานะเป็นความหลงผิดเป็นความยึด Cum อีกเ ป, เ, เป็นกิเลสเป็นกิเลสเ่ยสุดท้ายปล่อยวางปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจวางหมดแล้วก็รู้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจ แต่ไม่ยึดว่าใครเป็นคนรู้ใครเป็นเห็นใครเป็นคนเข้าใจหลือแต่ความรู้แล้วก็ไม่มีใครยึดความรู้นั้นแต่คงมีแต่ความรู้เมื่อวางหมดก็ว่างหมดเนี่ยว่างหมดก็พบใจว่างนั่นคือใจที่ธาตุธาตุธาตุรูนจิตเดิมแท้เป็นความว่างพบใจเป็นความว่างเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมขั้นได้ดวงตาเห็นธรรม พระเจ้าตัดเทศสอนทำ ร, รมจักษกับพระนารสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าอัญญโกนธรรัญญะแล้วก็วัปปะมหานามะพัทธิยะอัศชิก็ตแต่องค์แรกไล่ไปบรรลุโสดาบานันได้โดวตาเห็นธรรมพบใจที่วางเปล่าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเนี่ยที่อ่ามทั้งหมดทุกอย่างนั้นย่มดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทิยะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธาธรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็ความปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปทั้งหมดไม่มีใครไม่อาจจิตมันถึงมันได้ก็เลยพบใจที่ว่างเปล่าได้ดวงตาเห็นธรรมพบใจที่ว่างเปล่าแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมได้ประลุประโสดาบาลเสร็จแล้วจบแล้วเน่ไหมเน่จบแล้วเห็นไหมจบแล้ ว, บล ว, บลวพบใจที่ว่างเปล่าแล้วเน่ แบกมันไปด้วยแบกใจที่วางเปล่าไปด้วยแล้วก็แบกขันห้าไปด้วยแบกทั้งขันห้าที่เป็นสิ่งปรุงแต่งแบกทั้งใจที่วางเปล่าไปด้วยเราว่างเปล่าแล้วเราว่างแล้วเราว่างเปล่าแล้วก็แบกไปเถอะทําไมอะยังไม่รู้นิพานพม่ได้ดวงตาเห็นทำแล้วอือเพราะรอะไรเออ โอ้ยนี่ได้ดงตาเห็นธรรมได้แก่ตัวดาบนันทำไมอืมอือพอพบแล้วเป็นไงเอาไปด้วยไหมเออเอาวางให้คนอื่นก็อ่านต่อไปเออเอาวางให้คนอื่นก็อ่านต่อไปเนี่ยวางให้คนอื่นก็อ่านต่อไปอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาจะได้เห็นธรรมต่อไปบัง้งนิพพานไม่ได้ของใครให้คนอื่นก็เป็นนิพพานบ้างไม่ได้แบกไป นี่แน่ถึงจบจริงจริงแล้วก็บรรุปัญจวัคคีย์เลยบรุอรหรันต์เพราะวางหมดแม่แต่ความวางก็ไม่มีใครยึดถือเอาให้คนอื่นก็ไปอ่านเอาให้คนอื่นก็ไปบัตรแล้วให้คนอื่นเขารู้แจง้งแล้วก็ให้คนอื่นเขาวางแล้วก็บรุออรหันต์บรุนิพานไปให้คนอื่นก็บรุไปบ้างเข้าใจไหมนี่แน่ มันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหนังฝรั่งแต่ก็บอกคนไทยแต่งคนไทยสร้างหนังฝรั่งคนไทยสร้างจริงก็เปล่ากันไม่รู้นะมันสู้กันนะจอมยุทธเป็นหนังฝรั่งนะจอมยุทธเป็นอัศวินเป็นอะไรเนี่ยขุนศึกเลยสู้สู้ส้เก่งมากลบมาชนะมาทุกดานเลยต่างคนต่างชิงสุดยอดพระคัมภี์ ต่างคนต่างมุ่งชิงสุดยอดพระคัมภีสู้กันสู้กันจกกนกระทั่งคนที่เก่งเลิศที่สุดพระเอกติดต่อพระเอกกันแล้วกันอพระเอกสู้มาจนสิะด่านสุดท้ายจนมาถึงผู้ครอบครองพระคมภีก็จะมาท้าสู้กับผู้ที่ครอบครองพระคัมภีผู้ครอบครองพระคำคพคำีก็พยายามปลอบประโลมว่าไม่ต้องสู้หรอกเดี๋ยวจะให้ดูแต่อยากได้เดี๋ยวจะให้อืมก็ไม่ไว้ใจกลัวเขาว่าเดี๋ยวก็จะลอบทําลาย ใครจะยอมให้คมัมภีร์ง่ายๆกุปร ย, ายามบอกว่าผู้ครอบ ค, ครองคัมภีรบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องต่อสู้หรอกเด๋ยนจะให้ดูแล้วก็เด๋ยนทีย่ยกให้ถ้าอยากได้ก็ก็ไม่เชื่ออยู่ตรงพงะระัจงพักหนึ่งคอยคอยเชื่อใจก็จงกระต้องให้ชมธรรมชาติชมอะไรจนมีความสงบแล้วแต่ก็นีไม่ได้ต้องพิจารณัมภีร์ไม่ดูก่อนอขอดูก่อนยังไงก็ต้องขอดูวา่าคัมภีร์ก่อนนี ตัเลยอ้าวถ้าอยากดูดก็เอ้าเอาคมภีร์มาสุดคัมภี์พิเศษมาที่เป็นสุดยอดคัมพีร์มาเสร็จแล้วเขาก็เปิดดูพระคมภีร์ว่าข้างในมีอะไรเนี่ยคือผู้ที่แสวงต้องการแสวงหากันมากนักสุดยอดคัมภีร์เปิดดูเจออะไรในคมภีก่อนนั้นก่อนเจอว่างเปล่าเจออะไรก่อน ถ้าเจอว่างเปล่าเลยยังไม่ใช่สุดยอดพระคมพีก่อนจะเจอหน้าว่างเปล่าต้องเจออะไรก่อนเนี่ยเออเจอกระจกส่องหน้าตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองคือขันอ้าเจอกระจกที่ส่องตัวเองเห็นตัวเองคือขันอ้าเห็นตัวเองเครียดมากเลยจะมาจะมาต่อต่อสู้เขาเนีหน้าตาก็เครียดมากเลยจะเอาจริงก็จังมากเลยไม่มีความสุขเลยจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะมาเอาคำพีไงจะต่อสู้เขาไม้ได้เครียดมากเลย เปิดในแผ่นที่สองมีแต่กระจกเอาแผ่นที่สามมีแต่กระจกเอาเปิดไปกี่แผ่นกี่แผ่นมีแต่กระจกเอาเห็นแต่ตัวเองตัวเองตัวเองก็เลยยิ้มออกหัวเลาะที่สุดแล้วสุดยอดประกำพีคืออะไรตัวเองคือสะท้อนมองให้เห็นตัวเองเท่านั้นเองอสุดท้ายแต่กำพีนั้ น, นแ่ละนานแล้วนั้นก็แต่งไม่ถึงไม่ถึงเรื่องจบสักทียังไม่เจอหน้าที่ว่างเปล่าเออ ม, มันต้องต่อไปอีก ไปเจออีกหน้าหนึ่งเปิดไปนอกจากหน้าที่กระจกสองเงาแล้วเปิดไปหน้าสุดท้ายต้องเจอแบบแบบเนี้ยเจอหน้าที่วา่างเปล่าเะมันะ ม, ามาเจอเงี้ยหรืก็เ<อ>ขา<อ>ไม่มีนักถือไอ้ในตะคำเพีย์นั้นไม่มี อ, อันหนึ่งไม่รู้เราดูผิดปะ่ะแต่เราเราเราว่ามันมีแค่กับหน้ากระจกโดยที่มันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างหน้าหน้าสุดท้ายต้องมีอย่างเงาี้ย อ, อยางงารู้หน้าว่างเปล่าเงี้ยมันเลยมีตะโดตาเห็นทำเนี่ยมีหน้าว่างเปล่ามีหน้าว่างเปล่า พอพบหน้าว่างเปล่าเสร็จปุ๊บเขาก็ยิ้มออกเลยหัวเราะหัวเราะว่ะเพราะว่าเขาก็าใจแล้วว่าคมพีคืออะไรอ่านคำพีที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะที่ที่ยมถนอมบอกอ่ะอ่านคมพีแล้วแอบมเราให้ดูหน้าตานหน้าแอบแอบเห็นหน้าหลังเราเออทะลุไปถึงนี่อ่านกัมพีมองเห็นไปเห็นด้านหน้ า, นาทะลุปเป็นแผ่นหลังแล้วว่างเปล่าแต่ก่อนเห็นหน้าว่างเนี่ย อยู่ๆปฏิบัติแล้วไปเจอแต่ความว่างพ้ทุกไปได้นะต้องเห็นอะไรก่อนเห็นตัวเราเห็นขันห้าแล้ววางขันห้าก่อนต้องเห็นอัตตาก่อนจึงจะไปเจออนัตตาอยู่ๆปฏิบัติทำแล้วเห็นว่างเห็นอนัตตาผลทุกไปได้เลยเออไปเลยไอ้นเนี้ยเออไปเลยยังไม่ได้วางอะไรเลยมันต้องวางตัวเราก่อนเป็นที่ไปเจอความว่างพอว่างเสร็จเจ้าของพระคมภีร์เลยยกให้เราเนี่ยเฝ้าพระคมภีร์มานานหลายปีมากแล้ว เราขอยกคำพีนี้ให้เราจะได้หมดปล่อยวางภาละเสียทีเราจะได้วางภาละเสียทีขอยกคำพีนี้ให้ท่านท่านจงขอได้โปรดเฝ้าพระคำพีนี้เถิดแทนเราเจอหน้าว่างแล้วหลายคนชอบมาอาจารย์ช่วยดูที่ว่างหมดแล้วเนี่ยช่วยดูแล้วว่างหมดเลยอาจารย์ช่วยดูที่ว่างเออแบกเลยคำพีใส่หวัวนี่แบกเลยแบกแบกคำพีไปว่างหมด แต่ตัวตายวันนี้เขาหัวเลาะพระเอกหัวเลาะตึกร้องสะใจท่านเหมือนไหนๆก็ทักครอบครองแบกพระกัมปีมานานแล้วดูแลรักษาพระกัมปีนั้นท่านจงเป็นผู้ที่ดูแลรักษาพระกัมปีนี้ต่อไปเถิดแต่ข้าพเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วแจ้งแล้วข้าพเจ้าไม่ปาถนาแม้แต่พระกัมปีนี้ เราก็ปล่อยวางไปให้คนอื่นเขาต่อไปล้วก็ก็หัวเลาะเดินจากไปพอจากไปเสร็จก็ไปเจอคนที่เคยเป็นอย่างเขามาแล้วเคยเป็นอย่างพระเอกนี่มาแล้วเขานั่งเป่าคุยอย่างเพลิดเพลิ น, นอยู่ในธรรมชาติอยู่ในทรามกลางธรรมชาติอพอพระเอกเดินผ่านมาเขาก็เลยบอกว่า ยังไงล่ะได้ไปพบพระคัมภีร์แล้วสิได้พบแล้วได้อ่านพระคัมภีร์แล้วเ อ, อได้อ่านแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างต่างคนต่างถามกันแล้วเป็นยังไงบ้างเออในเมื่อท่านก็รู้แล้วข้าก็รู้แล้ว รู้แจ้งแล้วท่านก็รู้แจ้งแล้วข้าก็รู้แจ้งแล้วใหญ่ต้องถามกันรู้แก่ใจท่านก็รู้แก่ใจแล้วข้าก็รู้แก่ใจแล้วใ่ต้องถามกันเขาเขาก็เลยเข้ามาก่อกัแลรวหวลเลาะเลยคนเป่าปุยก็เลยยกคุยให้บอกว่าอ้าวท่านก็เอาคุยไปเป่าแล้วเขาก็เลยเป่าปุยแล้วก็เต้นไปในธรรมชาติแล้วคนเป่าปุยก็จากไปเพราะวางแล้ว รู้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วถึงใจที่ว่างเปล่าบารรลุนิพพานแล้ว EN. คือการเป่าขุยบรรลุนิพพานแล้วมีความสุขนิพพานังปาลมังสูญอย่างนิพพานังปรมะมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้เป่าขุยแล้วคือน่นแหละเกิเปียบถึงนิพพานังปรมะมังสุขขังแล้วคนอื่นได้ถ่ายทอดความสุขนั้นคนอื่นได้เห็นแล้วพบแล้วรู้แจ้งแล้วแล้วมายึดสิ่งที่ สิ่งที่มีคือสังขารคือตัวเองแล้วก็พบนาวางเป่าก็มายึดมั่นใจที่วางเปล่าก็บรรลุนิพพานเหมือนกันก็คือเอาคุยไปเป่าแล้วคนอื่นก็ได้นิพพานไปได้คุยที่เป่าต่อไปเขาก็หายไปในธรรมชาติคือตายจากไปคนอื่นก็ได้ความสุขนิพพานังปลมังสุขขังต่อไปได้เปล่าคุยต่อไปนิพพานจึงถ่ายทอดไปสู่คนอีกทึงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง จากใจสูจ่ใจจากใจสูจ่ใจนี่แหละคือคําสอนที่แท้จริงจากใจสูจ่ใจเข้าใจไหมล่ะอืให้เข้าใจถึงใจแค่นี้แหละไม่ใช่ยึดอะไรเลยไม่ใช่แบกอะไรสักอย่างที่ท่านมาเนี่ยจะพยายามจะเอาอะไรไปจะมาแบกอะไรไปจะมาหาเราเพื่อจะเอาอะไรไปเพื่อจะเอาความรู้ความเข้าใจอะไรไปท่านจะแบกพระตํามดีกลับไป ท่านจะมาเอาเขาพระคำพีกลับไปเหมือนคนที่มันจะมาสแสวงหาไม่งั้นนะ่ะถ้าก็ต้องเป็นผีเฝ้าพระคมพีอยู่นั่นแหละตายแล้วถ้านก็เป็นผีเฝ้าพระคำพีนั่นแหะไปไหนไม่ได้เหมือนกับคนที่เฝ้าคมพีพิเศษนั่นแหละเมื่อท่านเฝ้ามาแล้วท่านแบกมาแล้วถ้านก็แบกต่อไปเธอะตะค้ำไม่เอาแล้วท่าก็วางแล้คนไหนวางแล้วคนนั้นก็ไปได้เป่าคุยคือนิพพานไปนิพพานัางปะละมังสุขขังเข้าใจไหมล่ะอืมีแค่นี้เนี่ยธรรมะ เนี่ยพุทจ้ามาพบความจริงอย่างนี้เนี่ยอือเออมันก็มันก็นกถามว่าไม่ต้องกลับมาเกิดไหมเ อ, เอาวิชามถึงทําให้เกิดเอาวิชามดับหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็สิน้นสิ้นการที่จะเหลียนไหจะเกิดสิ้นทุกที่กิเลสเสแล้วก็มันก็หายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปอืมไม่มีอะไรสูงกว่านี่แล้วและไม่มีอะไรจะต้องอธิบายเมื่อท่านก็เข้าใจเราก็เข้าใจที่ไม่มีอะไรพูดกัน there j u s